เรื่องพระจุลปันธกะเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวลูวันทรงปรารบพระเทระชื่อว่าจุลปันธกะในนครราชครึกทิดาเศรษฐีในตระกูลหนึ่งได้เสียกับทาสคนหนึ่งพากรนีออกจากบ้านอยู่ร่วมกันจนมีลูกชายสองคนคนโตชื่อมหาปันธกะคนเล็กชื่อจุลปันธกะ เหตุชื่อว่าปันทกะเพราะคลอดระหว่างทางครั้นบุตรทั้งสองโตแล้วพากันเดินทางมาชี้บ้านของตายายแก่บุตรทั้งสองให้เข้าไปหาลาพังจนทั้งสองเจริญวัยอยู่กับต า, ายหญ่แล้วมหาปันตกะได้ฟังธรรมกถากของพระศาสดากับตาจึงขอบวชบรรลุอรหันต์แล้วนึกถึงน้องชายจึงไปขอตาให้น้องชายมาบวช ด, ด้วย จุลปันธากะบวชแล้วแต่เป็นคนโง่เขลาพระเถระพร่ำสอนให้ท่องบนพระคาถานี้ดอกบัวโกโกนุดมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราชันใดเธอจงเห็นพระอังกีรถผู้ไพรโรดอยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉช น, นั้นให้ท่องบ่นพระคาถาเพียงเท่านี้โดยสี่เดือนก็ไม่สามารถจะเรียนได้คือจำไม่ได้ พระศัสดาทรงเล่าบุพกรรมจุลปันธกะในสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทําการหัวเราะภิกษุรูปหนึ่งเรียนอุทเทศคือหัวข้อธรรมภิกษุละอายเพราะการหัวเราะนั้นเลยเลิกเรียนอุเทศไม่ทําการสานทยายเพราะกรรมนั้นจุลปันธกะในชาตินี้พอบวชแล้วจึงเป็นคนโง่ จุลปันธกะถูกพี่ชายประนามว่าเป็นอาภัพในศาสนานี้จงศึกเสียและขับไล่ออกจากวิหารแม้หมอชีวกุมรารพัฒนิมนพระภิกษุทั้งหมดแต่ก็เว้นจุลปันธกะเสียไม่ให้ไปฉันเพราะเป็นภิกษุโง่มีความไม่งอกงามจุลปันธกะเสียใจจะศึกพระศาสดาทรงตรวจดูโลกด้วยพระยานในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นเหตุ จึงเสด็จไปรออยู่ทรงตรัสปลอบและสอนกรรมฐานประทานผ้าสะอาดซึ่งทรงบันดาลขึ้นด้วยฤทธิ์ตรัสสั่งว่าจงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกรูป้าทอนนี้และบริกรรมว่าผ้าเชตุลีผ้าเชตุ ล, ลีหรือบาลีว่าพระโชหะระนังแล้วก็เสด็จไปเรือนหมอชีวกเพื่อจักฉันอาหารตามนิมนต์ จุลปันธกะนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางลูกผ้าท่อนนั้นบริกรรมว่าพระโชหระนังเมื่อลูกผ้าท่อนนั้นอยู่ผ้าได้เศร้าหมองแล้วลำดับนั้นจึงคิดว่าผ้าท่อนเนี้ยเคยสะอาดอยู่แท้ๆแต่อาศัยกระทบอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ รั้นแล้วเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมจเจริญวิปัสนาแล้วพระศาสดาทรงทราบวาราจิตจึงตรัสว่าจุลปันธกะเธอจงอย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดทุลีก็ทุลีทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะมีอยู่ภายในของเธอเธอจงกําจัดจงนํามันออกเสีย ดังนี้แล้วทรงเปล่งรัสมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งตรงหน้าได้ทรงภาสิะะทธะคถาว่าราคะชื่อว่าทุลีแต่ละอองเรณูท่านหาเรียกทุลีไม่คำว่าทุลีคือราคะโทสะโมหะภิกษุละทุลีได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลี ในการจบคาถาพระจุลปปตกะบรรุอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายพร้อมปิดกสามนั่นเทียวบุพกรรมนี้เพราะเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินและทรงทำประทักษิณพระนครพระเศโทคือเหงื่อไหลออกจากพระนลราศขึ้นหน้าผากทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระนลราศผ้าได้เศร้าหมองเปื้อนทุลีแล้ว เท้าเธอรำพึงอนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดเห็นปานนี้อาศัยสรีระนี้ละปกติคือจากปกติปลาเป็นเศร้าหมองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะเหตุนั้นผ้าสำหรับเช็ดทุลีนั่นแหลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วที่บ้านของหมอชีวกขณะที่หมอชีวกกำลังถวายพัด พระศาสดาทรงตรัสว่าภิกสุในวิหารยังมีอยู่ให้ส่งคนไปนิมนต์แต่มหาปันธกะพูดว่าภิกสุในวิหารไม่มีฝ่ายพระจุลปัญกะเถระรู้ด้วยใจว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกสุในวิหารไม่มีจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุพันรูปเย็บบ้างยอมจีวรบรรยาธรรมทำต่างๆกันดังนี้ บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นอันมากจึงกลับไปบอกหมอชีวกพระสัสดาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงไปวิหารแล้วร้องเรียกว่าพระสัสดารับสั่งให้หาพระชื่อจุลปันธกะบุรุษทำตามแล้วภิกษุทั้งพันต่างคารับว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันธกะบุรุษนั้นก็กลับไปอีกพระสาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปใหม่ รูปใดเอ่ยว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันธกะก่อนเป็นองค์แรกจงจับมือรูปนั้นไว้รูปที่เหลือจะหายไปเขาทำตามรับสั่งจึงนิมนต์พระเถระนั้นมาพระสัสดารับสั่งให้จุลปันธกะอนุโมทนาในเวลาเสร็จพัฒกิจพระเถระบรรลือสีหานาดดุจสีหนุ่มกำลังขนองแล้วอย่างพระไตปิดกให้กระชอนแล้ว พระสัสดาเสด็จกลับสู่วิหารรั้นเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายต่างปรารภถึงพระคุณของพระสัสดาว่าท่านมหาปัธกะไม่ทราบอัทยาศัยของพระจุลปัธกะจึงไม่สามารถเรียนคาถาบทเดียวแม้เพียงสี่เดือนได้ไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าโง่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานอารหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิธา แม้ในระหว่างฉันพัดมือเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาชั้นเยี่ยมหาผู้ทัดเทียมมีได้กำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมากหนอพระศาสดาทรงตรัสเล่าเรื่องในอดีตในอดีตการมานพชาวพารณสีคนหนึ่งไปเรียนติกะในกรุงตักกัิลาของอาจารย์ทิสาปาโมก ได้ทำอุปการะอาจารย์มีนวดเท้าและทํากิจทุกอย่างแต่เพราะเป็นคนโง่จึงไม่สามารถเรียนได้เขาอยู่สิ้นกาลนานแม้คาถาเดียวก็ไม่อาจเรียนได้นึกระอาเลยลาอาจารย์อาจารย์ผูกมนให้บทหนึ่งว่าคเตสิคเตสิกิงกาลนาคเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิาามแปลว่าท่านเพียรไปเถิดท่านเพียรไปเถิด เพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นเราก็รู้อยู่ดังนี้แล้วเข้าท่องหลายร้อยครั้งจนจำได้แล้วกลับไปมารดาดีใจที่บุตรกลับจากศึกษากลับมาทำการจะลองสการาใหญ่สัมมาณะใหญ่วันหนึ่งพระราชาปลอมพระองค์ออกตรวจเยี่ยมเยียนรัศดรเพื่อสืบความเป็นอยู่ เสด็จออกเวลาเย็นขณะนั้นโจรหากินกำลังขุดอุโมงเพื่อลักทรัพย์พระราชาเห็นพวกมันจึงแอบซุ่มอยู่โจรขุดอุโมงเข้าไปในเรือแล้วมานพเจ้าของเรือตนตื่นขึ้นมาสัทธายมนว่าคาเตสิคาเตสิเพียงไปเถิดเรารู้แล้วเป็นต้นนั้นโจรได้ยินคำนั้นตกใจกลัวทิ้งสิ่งของแล้วหนีไป พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรนั้นหนีไปและได้สดับเสียงมานพสาธยายมนอยู่ก็เสด็จกลับสู่พระนครวันรุ่งขึ้นสั่งราชบุรุษไปนำมานบที่เรือนแห่งนั้นมาเฝ้าและขอเรียนมนโดยให้ประทับนั่งบนอาสนะเสมอกันเล่าเรียนแล้วพระราชทานทรัพย์บูชาคุณต่อมาเสนาบดีคิดกบฏ จ้างนายภูสามาลาให้ประหารชีวิตพระราชาขณะที่ลงพระม ส, สุคือโกนหนวดด้วยมีดโกนตัดการพระสอคือคอแล้วจะได้ตําแหน่งเสนาบดีนายภูสามาลารับคำในวันแต่งพระมั ส, สุขณะที่นายภูสามาลาสะบัดมีดโกนพระราชาทรงระลึกถึงมนจึงทรงสาธยายคะเตสิคาเตศรเรารู้แล้วเป็นต้นนั้น ทันใดนั้นเหงื่อไหลโทมออกจากเนื้อผากของนายูษสามาลาแล้วเขาเกิดความหวาดกลัวว่าในหลวงทรงทราบแล้วโยนมิตรกนทิ้งแล้วก้มลงกราบแทบพระบาทพระราชาเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นจึงร้องตะหวาดออกไปว่าเฮ้ย hey, ไอภูสามาลาใจร้ายมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้มึงหรือนายูสามาลาเกรงอัจฉย เล่าความจริงให้ทรงทราบจนหมดสิน้นพระราชาในประเทศเสนาบดีนั้นพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้มานพบอาจารย์สอนมนและทำศักการะใหญ่มานพบครั้งนั้นได้เป็นจุนลปันตกาพระสัสดาเป็นอาจารย์ที่สาปโามกแล้วทรงตรัสพระคาถาว่าผู้มีปรีชาประจักษ์ ยอมตั้งตนด้วยทุนทัพย์แม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นในการก่อนเราทำให้จุลปันธกะได้โลกิยาทรัพย์คือทรัพย์ทางโลกแต่ในบัดนี้เราทำให้ได้โลกุตระทรัพย์คือการบรรลุธรรม